ที่เข้าไปพิจารณาถึงภาวะตื่นรู้ของจิตโดยเฉพาะนีแต่การพิจารณาการตื่นรู้ของกายเรื่องเวทนาต่างๆที่เราตื่นรู้มันว่ามีเย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงจะเป็นสติปัฏฐานนะแต่พอไปพิจารณาเห็นความตื่นรู้ของจิตเป็นสติในสัมโพชฌงสัมโพชฌง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 ไม่ถือว่าเป็นธรรมวิจารหรือธรรมวิตกไม่ถือว่าเป็นธรรมวิตกธรรมวิจารธรรมวิตกธรรมวิจารหมายถึงเอาเรื่องที่ยังไม่เกิดมาพิจนารณาเป็นเหตุเกิดทุกข์ถึงจะเป็นธรรมก็จริงแต่ยังเป็นเหตุเกิดทุกข์เพราะเป็นเรื่องอดีตอนาคตใช่ไหม rais? แต่ธรรมวิจัยเนี่ยเอาเรื่องที่เกิดขึ้นขณะ น, นี้นเดี๋ยวนี้มาพิจนารณาเช่นเวลาเราเดินเนี่ยอะไรเกิดขึ้นกับเรา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 แต่ธรรมวิจัยกับเป็นนิโรธเป็นเหตุดับทุกเพราะว่าที่ต้องการเน้นย้ำเรื่องนี้เพราะอลไรเพราะมันเป็นครอบคุมชีวิตของเราทั้งชีวิตเลยนะพิจานาให้ดีเดี๋ยวจะพาพิยาธิและประเด็นประเด็นประเด็นต่อไปเพื่อจะเห็นให้ชัดๆว่าเรื่องการเกิดดับแค่เนี้ยทําไมมันสําคัญล้างหนาอืมที่เราทุกเราอะไรกันมาเกินมาเนี้ยมันก็เพราะไอ้สองตัวนี้แหละ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 มันยงมีงแค่เดียใช่ไหมในใจของเราเนะี่ยหรือว่าใครมีอย่างอื่นมั้ง <c oughs> ไม่มีใช่ไหมถ้าคนที่มีความรู้สึกสงบเบิกบานสบายใจก็ถือว่าได้อารมณ์ไปพอนะคนรู้สึกเดินไปแล้วขุนมัวสมองคิดแต่เรื่องอดีตคิดถึงเรื่องการได้การเสียคิดถึงเรื่องขอการถูกการผิดที่ผ่านมา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 แล้วความรู้สึกดีนั้นหายไปเป็นความรู้สึกไม่ดีขึ้นมาแทนเราทึกเสียใช่ไหม <arım. S 1> การรู้สึกดีเกิดขึ้นแล้วความรู้สึกดีหายไปเราร้้กวกเสียนี่ค<า>ือของที่มีอยู่จริงนะมันก็สลับกันเกิดกันดับกดดับดับดับดบดบนี่แต่เนื่องจากว่าเราไปสำคัญการเกิดว่าเป็นเราได้ <c oughs> แต่ไปสำคัญว่าการเสียไปว่าเป็นเราเสีย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 เออถ้าหากวันมันได้มาตามนั้นเขาก็มีความสุข70็ดอร์เซตแต่ถ้ามันได้มาตามนั้นเขาก็มีความทุกข์เจ็เปอร์ซตเหมือนกันแต่ยังเหลือความสบายใจอยู่ยาง 30%. ปอร์เซตแต่ผู้ผู้ดชนนี่ร้อยทั้งร้อยเลยได้มาก็1้อยเปเซเสียไปก็เสียใจร้อยเปอร์เนตเลยมันไม่มีเหลืออยู่เลยปุ้ดูชนแต่พระโสดาบันยังเหลืออยู่เสียใจไป70็อร์เซนตรู้สึกยังมีใจเชื่ออยู่ 30% เอร์เซ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 อาจารยรท่านก็บอกใครกินผักกินมังสวิรัติสำคัญตัวเองว่ากินผักคนนั้นก็เป็นขวายานนะเพราะชาวมาวะควายเมกินผักเหมือนกั น, กนแต่ใครกินเนื้อแล้วสําคัญว่าตัวเองกินเนื้อคนนั้นก็เป็นเสือเพราะงั้นเพราะพวกสิงสารสารัตว์พวกเสือมันชอบกินเนื้อแล้วคุณจะเป็นเสือหรือเป็นขวายมิดชัดเลยด็นี่เงียบเลย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 เราไม่อยากจะให้ยุงกัดเพราะเราอยากจะให้ไม่ยุงกัดอยากจะสบายใช่ไหมเราอยากในความสบายเพราะฉะนั้นอะไรมาไต่มาตอมเราก็รู้สึกหงุดหงิดรำคาญความไม่อยากเกิดขึ้นเป็นวิภวตัณหาความไม่อยากความอยากอยากสบายปกติไม่มียุงเป็นกรมตัณหาแต่พอมาโกนเข้าเป็นวิภวตัณหามันเกิดในขณะนั้นเลยอ่ะแล้วรู้ทันมันยหรือเปล่า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 อย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นวิจารณ์ละไม่ใช่วิจัยเข้าใจนะโอเคพยยานั้นเวลาทําความเพียรเพว่าเดินจงกรมสร้างจังหวะให้เฝ้าดูเรื่องอย่างเนี้ยอย่างใกล้ชิดแต่ละหวังว่าอันมันจะเป็นวิจัยหรือวิจารณ์แต่มันแฉลบเป็นเรื่องของวิจารณ์นี้ง่ายมากเพราะมันเป็นนิสัยเดิมของเราใช่ไหมคือพิจารณาเกินจําเป็นเกินเหตุ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 ไม่สบายเราก็ไม่เกิดปฏิฆะหรือไม่ชอบเวลามันสบายเราก็ไม่เพลินในอาการนั้นเราก็ไม่แช่ทั้งสุขทั้งทุกการโฟลูแล้วคอยบำบัดอย่างเนี้ยเป็นสติสามพุชงใช่ไหมอ่าพอสติสามพุชงถูกองค์ต่อมาจะถูกหมดเลยธรรมปิญญะปีติปัจจะที่ปัสมาธิมันจะถูกต้องหมดเลย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 ทำวิจัยนะทีนี้เราจะคอยปัดคอยตัดคอยแก้เงงั้นไม่ได้ไม่เวิร์คจะต้องพ่อพูลตัวความรู้สึกตัวให้ชัดขึ้นเหมือนเราจะไฟฉายแค่ห้าเหลี่งเทียนไปส่องของได้เห็นในที่มืดอย่างนี้นะส่องเท่าไหร่มันก็ไม่เห็นน่ะของมันเล็กอ่ะแต่แสงไฟไม่พอวิธีการเขาเราทำไงก็จะไปเร่งแสงสว่างให้มันมากขึ้นให้ชัดขึ้นใช่ไม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 เพราะเืองจากว่าดวงตาทํำของเรายังไม่ยังไ ม, ไม่ไม่เต็มที่อ่ะเดี๋ยวว่าให้เกิดไม่เกิดแล้วแต่ว่ามันยังไม่สว่างเต็มที่นั่นเองมันก็จึงจับถูกบ้านผิตบ้างไปเรื่อยๆนะเพราะนั้นในช่งชวงเช้านี่เราพูดถึงเรื่องของสามพุทธชมนะเคลียร์ไหมเคลียร์เอาไปใชใ่ถูกกันแล้ววันนี้เพวัะ น, นั้นวันนี้เราเริ่มเก็บอารมณ์เข้มขึ้นวันนี้วันพรุ่งนี้นะสงวัน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 มื่มีเมีย อ, อะไรก็จบแค่นี้นะจริงเรื่องนี้หลวงพ่จะต่อตอนเย็นนะต่อตอนเช้า น, นั่นสองเรื่องนี้จะพอแล้วเดี๋ยวจะเบอนะ่อสองสามเรื่องนี้สักเราไม่ไหวแล้วนะใช่ไหมก็ออเราอไปทําให้ได้ก่อนก็แล้วกันก่อนที่จะต่อถ้าทำํำมาได้เดี๋มันเกิดปิติของมันเองคือเบาสบายโล่ปลงปร่งแต่ก็อย่าเพลินนะก็พิจารณามันไปมันเทียมไหมก็ให้มันเกิดบ่อยๆก็ดีเพราอว่าให้จิตของเรามีประสบการณ์เพรามันเกิดภาวะนี้มันจะจิตแล้วก็จะมีกําลังกําลังกูศส่วนเมกีจะเกิด